ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดในส่วนของพระสูตรตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าชาดกชาดกแปลว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นการจัดแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกเป็นองค์คือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจัดเป็นองค์ เราก็ได้9องค์ถ้าจัดเป็นธรรมคขันธ์ก็ได้ 8,4 ดหนพันพระธรรมคขันธ์ถ้าจัดเป็นนิกายก็ได้หานิกายก็แล้วแต่จะจัดอาชาดกเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเล่าประกอบการแสดงพระธรรมเทศนาโดยปรารบเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น แล้วจะนำธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาแสดงเรื่องราวที่นำมาแสดงก็มีถึง500 50เรื่องแต่ว่าในเมืองไทยเรามีอยู่547เรื่องอีกสามเรื่องที่ลังกานั้นมีอยู่อาชาดโดกเหล่านี้ก็ได้จัดเป็นกลุ่ม คือตอนต้นๆก็เอามาเฉพาะตอนเท่านั้นเองคือตอนที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมากแต่มีที่ให้รายละเอียดมากเป็นพิเศษจู่ก็มีอยู่เพียงสิบเรื่องที่เราเรียกว่ามหานิบาตชาดกคือให้รายละเอียดมากเรื่องที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลในสังคมไทยสูงที่สุดก็คือเรื่อง พระเวสสันดรพระเวสสันดรชาดกซึ่งก็อยู่ในมหานิบาตเหมือนกันาชาดกนั้นในเมืองไทยเร า, เาสมัยลา น, นาไทยได้มีนักปราชญ์ภิกษุชาวลา น, นาได้นำอนิทานพื้นเมืองขึ้นมาแต่งและเขียนเป็นรูปภาษาบาลี ทำทีว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองโดยอาศัยแนวจากชาดกซึ่งมีอยู่ก่อนตอนนี้เราก็มีอยู่ห0สบเรื่องเรียวกว่าปัญญาสสยชาดกซึ่งหอสมุดแห่งชาติก็ได้พิมพ์ขึ้นแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลในด้านวรรณกรรมไทยคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเกี่ยวกัจักจักรงวงทั้งหลาย ข้าวโครงของเรื่องจะมาจากปัญญาชาดกส่วนมากและบางเรื่องนั้นคือลอกกันมาเลยคือเปลี่ยนจากร้อยแก้วมาเป็นร้อยกรองแต่นั่นเองเช่นเรื่องสังทองในชาดกก็เรียกว่าสังกรวสวรก็แปลว่าสังทองนั่นเองแต่เราก็มาเรียบเรียงเป็นร้อยกรองขึ้นมาดังนั้นในสังคมไทยเราสมัยก่อน จะพบว่าอิทธิพลของชาดกนั้นสูงมากจะมีการเล่ากันแล้วก็จำง่ายเข้าใจง่าย เ, ออเรื่องราวต่างๆก็ชวนให้สนุกเพลิดเพลินมีการแสดงคุณธรรมในลักษณะต่างๆคือทั้ทงในด้านของคำพูดใ น, นด้านของกิริยาอาการของผู้ที่แสดงคือตัวละครในเรื่องนั้นออตลอดถึง วิธีการในการแก้ปัญหาการตัดสินปัญหาเป็นต้นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ง่ายแก่การทรงจำสำหรับปัญญาสชาดกนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านวิจารณ์ว่ามันมีหลักลักษณะเหมือนกับร่อนทรายหาทองคือทองนั้นก็ปนอยู่ในทรายแต่ก็บุคคลจะต้องร่อนทรายออก เพื่อจะหยิบเ อ, อทองในชาดกก็เป็นแนวคติธรรมที่มากอยู่เหมือนกันสหากว่าเรานำมาใช้ในการเล่าแล้วก็สอดแทรกธรรมะเพิ่มขึ้นคือสะท้อนบุคลิกภาพหรือการกระทาของคนออกมาในรูปของธรรมะก็เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้แก่เยาวชนมากเหมือนกันแต่ปัญหาที่เราติดกันอยู่มากในปัจจุบันก็คือว่า ชาดกบางเรื่องก็มีสัตว์พูดได้มีต้นไม้พูดได้แต่เราก็ติดคือปฏิเสธไปเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือในข้อ น, นี้เราอาจจะมองได้หลายด้านในกันคือด้านแรกเราน่าจะคิดว่าต้นไม้พูดว่าอย่างไงสัตว์พูดว่าอย่างไงมากกว่าที่จะพูดได้หรือพูดไม่ได้เพราะสิ่งที่ต้นไม้สิ่งที่สัตว์เหล่านั้นพูดออกมา มันเป็นสาระเป็นประโยชน์แต่เราก็มาไปสร้างความรู้สึกที่ไปขวางกั้นความคิดเอาไว้เพียงต้นไม้พูดได้เพียงสัตว์พูดได้แต่แต่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ออกจะแปลกนะคือพวกนิยายกริมก็ดีนิยายตินทานอีศุกก็ดีก็มีสัตว์พูดได้แยะแต่พอพลัาางเขียนเราเชื่อแต่พอที่มีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเราไม่เชื่อจึงก็ น่าตาจา์ดีเหมือนกันอีกประการหนึ่งคือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าสับวะรันอูคือพระองค์รู้ทุกอย่างาแม้แต่เสียงสัตว์อะไรก็ตามคือสัตว์นั้นก็คงจะพูดไม่ได้อะไรแต่เมื่อพระองค์เล่าก็เล่ า, ล า, ลาด้วยภาษาที่พระองค์รู้มันก็กลายเป็นภาษาที่พูดได้ไปอีกประการหนึ่งนั้นอาจจะเป็นการสะท้อนมาจาก กิริยาอาการเหล่านั้นคือถ้าแปลงมาเป็นภาษามันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างว่าสุนักแกทำหน้าตาสแสดงทางแววตาเป็นความบาดกลัวเราก็สะท้อนออกมาเป็นภาษาเป็นภาษาพูดว่าสุนักบอกว่าฉันกลัวแล้วฉันกลัวท่านนี่ึงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่เราถ้ามองอีกทีหนึ่งนั้นเราจะเห็นว่าการที่มีสัตว์อะไรพูดได้ปนอยู่หรือต้นไม้พูดได้อะไรก็ตามมันอาจจะเป็นภาษาใจที่บุคคลคิดปรุงขึ้นมาจากกิริยาอาการหรือจากปรากฏการณ์เหล่านั้นและที่สำคัญก็คือว่าบางอย่างนั้นแม่สัตว์ดีชฉานคือความดีบางอย่างนั้นแม้สัตว์ดีชฉ า, า, า, า, านแกก็ทาได้ ถ้าหากว่าคนไปเกิดทำไม่ได้ในจุดนั้ น, นก็เป็นเรื่องน่าละอายดังนั้นสรุปว่าประโยชน์จากชาดกนั้นมีอยู่หลายแง่หลายมุมด้วยกันและมาเองเคยใช้เป็นหัวข้อในการประตะขาที่วัด ร, ราชประดิษฐ์อยู่ตั้งหลายปีก็10กว่าปีใช้หัวข้อเดียววรัตนจากชาดกแต่จะเป็นเล่าเรื่องโดยสรุปแล้วก็ชี้ประเด็นซึ่งเป็นธรรมะ ที่ปรากฏอยู่ในลักษณะต่างๆออกมาอาชาดกที่จะนำมาเล่าในวันนี้ได้ชื่อว่าราโชวาจ ด, ดกราโชวา ด, ชาดกคือลักษณะการเรียงชาดกนั้นเป็นการเรียงเหมือนกับธรรมบทจะมีภาสิตรวนๆภาสิตก็คือคาถาที่เป็นสุภาษิตอยู่ในพระัยวิโดกเล่ม27็กับเล่ม28ก็สองเล่มพระัยวิโดกเท่านั้น ภายใะใะจวิดกเองจะเรียงไว้เฉพาะคาถาเท่านั้นต่อมาเรื่องราวต่างๆที่เป็นต้นเหตุให้พูดคาถาเช่นนั้นทรงแสดงคาถาเช่นนั้นเป็นคาถาที่พระอาจารย์ท่านไม่นําเข้าสู่สังขารนาคือเป็นเรื่องที่พระอาจารย์ท่านไม่นําเข้าสู่สังขารนาเพราะจำมาแล้วมาเขียนออกได้ไม่จําเป็นจะต้องไปทบทวนให้ตรงเพี้ยทุกตัวอะไรเพราะเป็นพลความเท่านั้นเองแต่ก็มาเรียบเรียงอธิบายขึ้นก็เป็นเรื่องหนังสือไม่น้อยนะฮะ 10เล่มคือขยายจากสองเล่มออกมาเป็นสิบเล่มหนังสือขนาดใหญ่ทีเดียวราชวัชชาดกมันก็ขึ้นในแนวนั้นคือขึ้นด้วยคาถาถ้าเราอ่านเฉพาะคาถาเราก็ไม่ค่คยรู้เรื่องอะไรท่าไหล่ก็เพียงแต่ขึ้นถึงว่าพระเจ้าพันลิกะนั้นเอาชนะคนชั่วด้วยความชั่ว ชนะคนดีด้วยความดีชนะคนอ่อนแออ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนชนะคนสนิด้วยความสนิแล้วก็บอกว่าพระเจ้าพรมทัทนั้นทรงชนะความชั่วด้วยความดีทรงชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธทรงชนะความคนสนีด้วยการให้ทรงพูดจาทรงชนะคนพูดจาหลาะแหละด้วยการพูดคำสัตย์คำจริงอัานนั้นเอง จะ ด, ดูแล้วเราก็เป็นภาสิทธานั้นแต่เราต้องการทราบรายละเอียดว่าทำไมจึงพูดเรื่องนี้ทำไมจึงมีการกล่าวเช่นนี้มันก็ต้องไปอ่านที่เล่มอีกเล่มหนึ่งคืออัตตกถาแต่ในปัจจุบันนี้เราก็มีการทำขึ้นแล้วนะฮะทำขึ้นเป็นอยู่ในที่เดียวกันเพื่อคนทั่วไปสามารถอ่านได้มีข้อความอันเป็นต้นเหตุแห่ง ชาดกเรื่องนี้ว่าเมื่อรู้แต่เจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเจดตะวันกรุงสาวัถีพระเจ้าปเสนที่โกศลได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่เช้ามืดซึ่งท่านใช้ํานวนว่ า, ามือยังไม่แห้งคือสวยพระกยาหารเสร็จก็มือยังไม่ทันแห้งก็เสด็จไปเลยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งต้อนรับว่ามหาบพิษ เ, เสด็จมาตั้งแต่เชา้าจู มีพระราชภาระอะไรจึงเสด็จมาตั้งแต่ชาวสู่ชิ้นนี้พระเจ้าปะเสนทิโกศลก็กลาบทูลว่าข้าพระองค์ต้องรื้อฟื้นคดีใหม่คดีขึ้นมาคดีหนึ่งซึ่งเขาตัดสินไม่ยุติธรรมแล้วก็รื้อฟื้นขึ้นมาตัดสินเช่ใหม่เพื่อให้ยุติธรรมและรู้สึกว่าได้ตัดสนิมใจเหล่านี้ออกไปก็มีความสบายใจจึงมาเฝ้าพระองค์ พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าดูกรอนมหาบาพิตรการที่มหาบาพิตรซึ่งได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้รู้ดีรู้ชอบเช่นเราแล้วสามารถวินิจฉัยคดีให้เป็นธรรมได้นั้นเป็นความดีเพราะว่าการวินิจฉัยคดีที่เป็นธรรม นอกจากจะให้ความยุติธรรมแก่บุคคลแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศสลส่วนตวนไว้ด้วยธรรมดาว่าพระราชาทั้งหลายนั้นควรจะเว้นอคติทั้งสประการเชียควรจะประพฤติปฏิบัติในทศพิธราชธรรมทั้งสีประการและเพิ่มพูนจักรวัติวัตทั้งสิบสองประการ บำเพ็ญราชสังหะทั้งสี่ประการให้สมบูรณ์เมื่อประชาชามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็สามารถปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนไม่เดือดร้อนเป็นการปกครองโดยธรรมแต่ว่าการที่พระองค์ได้ปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์อะไรเท่าไหร่เพราะคนสอนเป็นระดับพระพุทธเจ้าแต่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนนั้น สามารถแนะนำชักชวนคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ต่เป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าพระเจ้าประเเส้์ที่โกศลก็กราบทูลถามเรื่องที่เป็นอดีตเพราะเรื่องอดีตตัวนี้นก็เริ่มเป็นชาดกพระเจ้ารับสั่งล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้จุติมาถือปฏิสนธิในคันของพระเมสีของพระเจ้าพรหมทัตพระจิดาก็ตั้งชื่อว่าพรหมทัตตะกุมานเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆมีความรอบรู้ดีพอพระบิดาที่วงโคตรไปก็ได้รับพระราชสมบัติแทนก็นำเอาหลักธรรมะดังกล่าวแล้ว หลักทศพิตราชธรชธรมจกกักรวรริวัดเว้นอคติและก็รา ช, ราชสังฆาทั้งสี่ประการมาเป็นหลักในการปฏิบัติปกครองบ้านเมืองทาให้อนาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกท่วนหน้าาจะไปในที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงแซซองสรรเสริญพระองค์ในที่ต่างๆแต่พระองค์เองก็ไม่ค่อยจะมั่นพระไทยว่าไอ้คายกย่องสรรเสริญในที่ต่างๆนั้นจะ มีอยู่ทั่วไปหรือว่าประชาชนยังมีความคล่องใจอะไรในพระองค์อยู่บ้างจึงปลอมพระองค์พร้อมด้วยสารถีคนหนึ่งก็ขึ้นรถไปฟังในข้างนอกเมืองไปก็คงได้ยินเสียงสรรเสริญอย่างนั้นเองไม่มีการตำหนิตีเทียนแต่ว่าในขณะที่เสด็จดาเนินไปนั้นคือกรุงพารณาณสีนั้นมันอยู่ในแคว้นกาศีมันก็อยู่ติดกับแคว้นโกศล เพราะงั้นพระเจ้าพัลลิกะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นกุศุนก็ได้เสด็จเที่ยวสืบสวนเรื่อง ร, อราวเหล่านี้เป็นกันเพราะพระองค์ก็ถือว่าพระองค์ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเป็นกันประชาชนยกย่องสรรเสริญเหมือนกันและทั้งสองพระองค์ก็มาเจอกันที่ ท, ทางเกวียนแคบแค่แห่งหนึ่งซึ่งรถก็สวนกันไม่ได้คนหนึ่งต้องถอย แต่ว่าต่างคนต่างก็เป็นเจ้าแผ่นดินด้วยกันปรึการด้ถี่ไม่ยอมถอยด้วยกันทีนี้พอประกาศที่เสียงเรียงนามกันแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นเจ้าแผ่นดินด้วยกันไม่รู้จะให้ใครถอยให้ใครเอาราชสมบัติมาเทียบเคียงก็เท่ากันเอาพระเอาวัยเอาความรู้มาเทียบเคียงก็เท่ากันหมดเอาเอาอาณาจักรแว่นแคว้นก็อยู่ในดับใกล้เคียงกันก็ต้องลงเอาคุณธรรม ว่าดูที่ว่าทั้งสองพระองค์นี้ใครมีคุณธรรมมากกว่าแล้วถ้าใครมีคุณธรรมมากกว่าคนนั้นต้องหลีกให้ฝ่ายสารทีของพระเจ้าพันลิกะก็กล่าวยกย่องพระเจ้าพันลิกะโดยทอดคำที่เป็นสุภาษิต ท, ที่ยกในตอนตอน้นคือพระเจ้าพันลิกะนั้นเอาชนะคนชั่วด้วยความชั่วชนะคนดีด้วยความดีชนะคนอ่อนแอด้วยเอกคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนชนะคนผ่านด้วยวิธีที่ผ่านกว่า พระองค์ทรงใช้วิธีอย่างนี้ข่ายสารถีของพระเจ้าพรหมทัตก็กล่าวว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นทรงชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของพระองค์ทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทรงชนะคนสนิทด้วยการให้ทรงชนะคนพูดจาเลอะแห ล, ละด้วยคศาศัตด์คาจริงก็ขอให้สารถีของพระเจ้าพันิกะได้โปรดทราบว่าพระเจ้าพรหมทัตมีปกติสัจอย่างนี้ มีปกติประพฤติอย่างนี้พระเจ้าพันลิกะเองเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าวิธีการของพระเจ้าพรมทัตนั้นดีกว่าพระองค์ก็ลงจากรถแล้วถวายบังคมพระเจ้าพรมทัตพระเจ้าพรมทัตก็แนะนำให้พระเจ้าพันลิกะนั่นเองอเพิ่มภูลในทศพิตราจธรรมเป็นต้นดังกล่าวเพื่อให้อณาประชารัษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้น แล้วพระเจ้าปันลิกะก็ถอยรถให้องค์นี้ก็ทั้งสององค์ก็ชื่นชมยินดีกันแล้วก็กลับบ้านกลับเปืองด้วยกันทั้งสองฝ่ายมาบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักธรรมะดังกล่าวแล้ว เ, เมื่อสิ้นประชนไปก็อุบัติบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทีนี้แนวของชาดกนั้นมาถึงตอนสุดท้าย ท, ทุกชาดกนะฮะจะมีการสรุปสรุปว่าคนในคราวนั้นเป็นใครในคราวนี้ ในสมัยพุทธกาลเพราะงั้นในคราวนั้นก็มีคนอยู่เพียงสี่คนเท่านั้นเองพระเจ้กาก็สรุปว่าพระเจ้าพันลิกะในสมัยนั้นก็คือพระอาหนุ์ในสมัยนี้นสาวัตสาวทถีของพระเจ้าพันลิกะในสมัยนั้นก็คือพระโมคคัลลานะในสมัยนี้พระเจ้าพรหมทัตในสมัยนั้นก็คือพระพุทธเจ้าในสมัยนี้สารทถีของพระเจ้าพรหมทัตในคราวนั้นก็คือพระสารีบุตรในสมัยนี้น นี้ก็เป็นใจความโดยสรุปในราช ว, วาตชาดกจะมีข้อที่น่าทําความเข้าใจและศึกษาเป็นอันมากประการแรกก็คือพระเจ้าประสเสนทิโกศลพระเจ้าประสเสนทิโกศล น, น, น, นั้นบรรดามหาราชทั้งหลายในสมัยพุทธกาลสองค์นะครพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสเสนทิโกศนพระเจ้าอุทเทนพระเจ้าจันทปัะโชดนั้น พระเจ้าปัตเสนที่โกศล น, นั้นเป็นคนซื่อๆแล้วก็ไม่มีเหลี่ยมมีครูอะไรแล้วก็ติด จ, จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ส่วนคนอื่นนั้นก็มีลักษณะเด่นๆออกไปในส่วนตัวเองแต่ที่แปลกก็คือว่าเป็นพระญาติบุคคลเพียงองค์เดียวต่นนั้นเองคือพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าอุเทนก็เพียงแต่ถึงใจสนาคมพระเจ้าปัตเสนก็ถึงใจสนาคมพระเจ้าจันทรปัชโชตก็แค่ถึงใจสนาคม ทั้งหมดนั้นเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันพระเจ้าประเสณที่โกศลนั้นถือว่าพระองค์กับพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในอาณาจักรเดียวกันคือก็ใกล้เคียงกันประชดมายุเท่ากันแต่ว่าหลักฐานไม่ได้บอกว่ากษัตริย์ทั้งสองสาพระองค์นี้เมื่อสมัยหนุ่มๆ น, นั้นเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเป็นพรัตถายกันหรือเปล่าแต่พระเจ้าประสเสนที่โกศลมากราบทูลพระพุทธเจ้าตอน ตอนพระชนมายุแก่ด้วยกันแล้วนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ80ข้าพระองค์ก็มีประชนมายุ80ดสิบนั้นก็ทําให้ท่านสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากเวลาเข้าเฝ้าก็ผิดกับองค์อื่นองค์อื่นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะกันเองไม่ค่อยจะคุ้นเคยแต่ท่านนั้นเข้าถึงพระบาทได้กราบถึงพระบาทแล้วก็นวดพระบาทด้วยก็มีความคุ้นเคยมาก พระพุทธเจ้าก็ช่วยแก้ปัญหาให้พระองค์อยู่เรื่อยๆเลยเพราะเพราะท่านท่านท่าน ซ, ซื่อแล้วก็บางทีก็ท่านก็ออกจะไม่ค่อยฉลาดนะแต่วาให้พระพุทธเจ้าต้องช่วยแก้ปัญหาให้อย่างที่เคยเล่าเรื่ององค์คุริมานเรื่องการบูชาญานอะไรของท่านเนี่ยเอ่อการวินิจฉัยค ด, ดีซึ่งในสมัยพุทธกาลเองก็เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆแล้วปรากฏในคัมภีร์อยู่บ่อยๆว่า พระพุทธเจ้าเสนอแนะวิธีการวินิจฉัยคดีที่จะต้องให้คู่ความทั้งหลายนั้นยอมรับความจริงคือผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นคนวินิจฉัยจะต้องเป็นการวินิจฉัยที่เป็นธรรมแต่ไม่นั้นคงจะไม่มีอุทธรดีกาอะไรนะแต่ว่าคงจะไม่มีสารอุทธรดีกาเพราะอำนาจเด็ดขาดจะไปอยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพิจารณาเห็นว่าคดีนั้นไม่เป็นธรรมต้องก็รื้อขึ้นมาวินิจฉัยใหม่ได้ แล้วถ้าเรามองให้ตลอดว่าแม้แต่เสนาบดีผู้ใหญ่นะครัไม่เห็นว่ามีการวินิจฉัยคดีไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมีประชาชนเรียกร้องขอความเป็นธรรมเสนาบดีสามารถทิดใจรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้สอบสวนกันใหม่ได้เลยแล้วก็ตัดสินใหม่ได้ทําให้ประชาชนมีความหวังว่าถึงแม้ตนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตอนต้นๆอะไรแต่ก็มีเบื้องสูงคอยดูแลอยู่ ดัง น, นั้นคดีที่เกิดไม่เป็นธรรมในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะเมืองสาวัตถีก็มีอยู่บ่อยๆแต่ว่าพระเจ้าประเนโโสนในโกศลบ้างท่านพันธุระเสนาบดีบ้างซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นลูกศรริษย์รูุ้ทธเจ้าเข้าไปรื้อฟืน้นคดีแล้วก็ตัดสินให้เป็นธรรมเมื่อเมื่อพระองค์รื้อฟืน้นคดีตัดสินเป็นธรรมได้แล้วมันก็มีความชื่นชมยินดีต้องการจะไปกราบทูลเป็นทํานองเป็นทานองอวดนิดหน่อยแหละว่า โรงได้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาวินิจฉัยเป็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะของพระราชาให้พระเจ้าประเสริฐดีโกศลได้ตรหนักอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่เป็นพระราชานั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนคือวินิจฉัยคดีให้เป็นธรรมแล้วคู่ความทั้งสองเขาก็ต้องยอมเพราะใครผิดใครถูกมันก็รู้กันอยู่ภายในใจ ถึงแม้ว่าในตอนตอน้ตนๆแกอาจจะปฏิเสธอะไรแต่เมื่อตอนมีหลักฐานยืนยันว่าขวายนั้นผิดขวายนั้นถูกก็วินิจฉัยลงไปเป็นธรรมได้นอกจากจะประสิทธิ์ประสาทิ์ความเป็นธรรมแกคู่ความในคดีแล้วคนที่กระทำเช่นนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างบุญกุศล เสริมสร้างบุญกุศลก็นี่ถ้าท่านนึกถึงเรื่องเปตรตวัตถุที่เคยเล่าถึงอดีตพืชภากษาที่เป็นเปรตนั้นทาน่านคงจะนึกออกว่าการวินิจฉัยคดีไม่เป็นธรรมนั้นจะเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ผู้วินิจฉัยคดีเรา อ, อาจจะได้เงินได้ทองได้อะไรในปัจจุบันแต่ว่าพอเสร็จแล้วเราก็ต้องรับผลบาปเพราะการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามธรรมของตนในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่หลักของการเว้นอคติทั้ง4ประการ ท้ท่านทั้งหลายก็จะพบว่าเรื่องอากตินั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาถาวรนะครคือเราแก้กันไม่ตกยังไงไงมันก็แก้ยากแล้วกันนอกจากว่าจะปรับปรุงกันที่ตัวเองแก้กันที่ตัวเองเท่านั้นเองเราจะไปควบคุมสังคมให้มีความเป็นธรให้ไม่มีอากติหรือสึกก็ยากแล้วกันเหมือนกันอะไรนะเขนครกขึ้นภูเ ข, ขาที่โบราณันว่าหลักไม้ปลายไปก็สาหัสสาการเต็มทีเลยแก้ยากมาก เพราะไรเพราะว่าไอความโน้มเอียงในด้านจิตใจของบุคคลเรานั้นมันมันอยู่ที่จุดถนอมตนเองแล้วก็เห็นตนเองเห็นแก่ตัวเพราะฉ้นแก่ตัวอะไรที่เป็นประโยชน์ของตัวก็พยายามตักตวงเอาบางครั้งก็เป็นธรรมบางครั้งก็ไม่เป็นธรรมความโน้มเอียงจึงต้องออกมาในสีแนวนี้ตลอดนะฮะโลกไม่ว่าในส่วนใดก็ตามแล้วก็ยุคใดสมัยใดก็ตามจะใส่ความเกี่ยวข้องผูกพันกันเป็นการส่วนตัวก็ขอให้เกิดเป็นจันถากติขึ้น แต่เราตั้งหลักไม่ดีหรือว่าอาศัยความไม่ชอบไม่พอใจกันเป็นการส่วนตัวก็จะออกมาในรูปของโทสะคติอาศัยความหวาดกลัวอำนาจอิทธิพลต่างๆก็ออกมาในรูปของโมหคติของพยาคติอาศัยความไม่รู้เหตุผลเชื่อมโยงต่างๆมันก็กลายเป็นโมหคติ อ, อ, อย่างตัวอย่างง่ายๆที่ตะกี้นี่ก็ไปพูดออกโทรทัศน์มาแล้ว ข่าวที่เขาลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่ากระบวนกาถินของสมเด็จพระยานวิดดับเพราะว่าผู้กอ่อผู้ก่อการร้ายวางระเบิดเอาไว้คือเราไปดูแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นโมหาคติเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าไอจุดที่ระเบิดนั้นมันอยู่ห่างจากวัดทางที่ตะวันตกตั้ง12กิโลแต่ว่าจุดที่สมเด็จเข้าไปอยู่ทางทิตะวันออกของวัด แม้สมเด็จจะเข้าไปในตอนนั้นระเบิดก็ระเบิดห่างกันตั้ง12กิโลแล้วไม่จะเส้นทางที่ท่านไปด้วยมันเอามาชนกันได้ยังไงไมุู่ยพลาดหัวเต่ตัวไม้เบอรเริ่มเลยนี่คือคือจะอะไรก็ตามนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากโมหาคติคือไม่ได้เทียบเคียงสถานที่เวลาเหตุการณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นอคติในแนวนี้จึงมีอยู่มาก โดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีส่วนรับผิดชอบต่อคนอื่นต่อความเป็นธรรมที่ตนจะต้องประสิทธิ์ประสาทให้แก่คนอื่นแล้วมันก็หลงทางกันใหญ่ข้อต่อไปส่งแสดงเรื่องทศพิตราชธรรมไอ้ทศพิธรราชธรรมเนี่ยเป็นการหลงทาง <c oughs> ในความคิดของคนเราคือเรามองว่าธรรมะของพระราชาที่จริงไม่ใช่พระราชาหรอกมันเป็นเรื่องของผู้นำแต่นั้นเอง ต้นเหตุของคําว่าราชานั้นเกิดขึ้นมาจากาการที่ประชาชนเริ่มรวมกลุ่มกันอยู่เป็นหมวดหมู่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่ชนดดนั้นก็ไม่มีคนตัดสินวินิจฉัยคือใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในชุมนุมชนนั้นไม่มีและในที่สุดชุมนุมชนก็ต ก, ตกลงเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเขามองเห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็เลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราเรียกว่าราชา หรืราชาแปลว่าผู้ทําให้ประชาชนชื่นชมยินดีคือยอมรับนับถือมันก็เกิดมาอย่างนั้นเพระาะันแม้รูปแบบการปกครองมันจะเปลี่ยนมาเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรก็ตามนะฮะหัวหน้าทุกจุดของสังคมควรจะมีหลักทศพิตรราชธรรมคือธรรมะที่ทําให้คนอื่นเขามีความชื่นชมยินดียอมรับนับถือฐานะของตัวทศพิตรราชธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ได้เฉ่เพาะในหลวงนะฮะ ในเมืองไทยเราแล้วก็ถวายในหลวงก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าผู้รับผิดชอบที่ใช้อํานาจทดหลังกันลงมาเราไม่ได้นําธรรมะเข้าไปใช้เมื่อไม่มีธรรมะเข้าไปใช้มันก็มีการใช้อํานาจเป็นธรรมแทนที่จะใช้ธรรมะเป็นอํานาจสิ่งที่เราเรียกว่าความยุติธรรมทึ่งเรียกร้องต้องการกันก็เกิดขึ้นได้ยากทศพิราาธรรมะะนั่นคืออะไรก็โดยสรุปก็คือก็หนึ่งทานคือการให้ การเสียสละเป็นการสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์หรือเป็นการบูชาคุณก็ได้คสองศีลคือความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้มีศีลควบคุมตัวเองได้ประพฤติปฏิบตัติตนเองให้อยู่ในกรอบในแบบแผนปัญหาเวลาเนี้เราก็วีตกกังวลกันเมื่อวานเนียประชุมเรื่องหลักสูตรกัน เราพูดไปพูดมาว่าเราจะสอนเด็กของเราอย่างไงให้ให้แกยอมรับศีลธรรมแล้วก็นํานสู่ภาคปฏิบัติได้ท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันมีปัญหาว่าไม่ใช่ว่าเราสอนศีลธรรมอย่างเดียวแล้วเด็กจะปฏิบัติตามได้เพราะว่าไอ้จุดที่เด็กเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องนั้นมันมีมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพราะเราสอนไอ้สัปดาห์ละหนึ่งคาบเท่านั้นเองครับคาบเด่นก็ประมาณ50บนาที แต่ว่าเวลาอีกตั้งยีสาชั่วโมง10นาทีนั้นเด็กยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเราอื่นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแบบในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราขาดแคลนมากในเรื่องแบบนี้พอแกไปอยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็โฆษณาล่ากันบางทีติดต่อกันสาี่ยี่ข้อเป็นแถวโฆษณาบุตรีโฆษณาอะไรที่ลักษณะฟุ้งเฟ้อเห่เขิมต่างๆเด็กแกรับด้านโน้นมากกว่าด้านนี้เพราะงั้นถ้าเรามองในแง่ของ ที่พูดอารมณกรรมฐานเมื่อกี้คือเชื้อของกรมธาตุนั้นได้รับมากกว่าเชื้อของเนคกรรมธาตุก็ทำให้มีปัญหาในเชิงพฤติกรรมของเยาวชนการปฏิบัติธรรมในทุกจุดทั้งการอบรมทั้งการสั่งสอนจึงมีปัญหาขัดขวางอยู่เป็นอันมากคือเราไม่ได้ตัวแบบไม่ได้แบบในการปฏิบัติเช่นว่าผู้บังคับบัญชาต้องการให้ลูกน้องมีความเคารพในระเบียบวินยัย ไนะอ้ตัวเองก็มาสายทุกวันแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่ในการงานอย่างแท้จริงเป็นต้นแล้วก็เสียแบบเมื่อไม่ได้แบบคนอื่นมันก็เหลียวไหลาตามไปด้วยต่อไปเป็นปฏิจจคังคือการบริจาค ก, การบริจาคดูแลคล้ายๆกับเป็นเรื่องของทานนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนละจุดกันทานนั้นมุ่งในการสร้างบุญสร้างกุศลแต่บริจาคนั้นมุ่งไปในด้าน สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนคราวประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอะไรต่ะต่างๆเนี่ยรัฐจะต้องเข้าไปอบอุ้มช่วยเหลือในภาวะวิกฤตการณ์เช่นนั้นทานางศีลังปริจจคังอัจฉวังคือประพฤติซื่อตรงประพฤติซื่อตรงต่อประชาชนคือเวลาแสดงออกอะไรก็ตามทางกายทางวาจ า, าหรือแม้แต่ทางใจมันต้องสะท้อนมาจากใจที่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆ คือมีความจริงใจสะอาดจริงๆก็หายากแหละคือเอาเช่ว่ามีความบริสุทธิ์ใจไม่ใช้ภาษาดอกไม้ซึ่งเราจะพบว่าสํานวนปัจจุบันในถ้าเราเกี่ยวข้องกับ ร, ราชการโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยภาษาดอกไม้จังเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยโฉบไปโฉบมาโฉบมาโฉบไปหาชิ้นหาแก่นไม่ได้อันนี้ก็แสดงถึงอะไรคือมาขาดอาชวะคือความซื่อส่งแล้วมัทวะคือความอ่อนโยนความละมุนละไม ผู้ใหญ่ที่น้อมตัวลงเข้าหาผู้น้อยเนี่ยมันมีประโยชน์ในการสร้างความยอมรับนับถือให้เกิดขึ้นซึ่งเรายกตัวอย่างในเล่าปีที่แกไปหาอะไรคงเบ้งไปยืนคอยอยู่ปลายเท้าเขาอ่นะก็ไป น, น้อมตัวเข้าไปหาเขายอมรับยกย่องเขาแล้วก็หาคนดีๆมาใช้ได้เป็นอันมากนี่ก็การประพฤติอ่อนน้อมนะแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะก็มีสูตรว่า จงเป็นคนอ่อนโยนแต่อย่าเป็นคนอ่อนแอจงเป็นคนแข็งแรงแต่อย่าเป็นคนแข็งกระด้างจงเป็นผู้ใหญ่แต่อย่าเป็นจระเข้ขับวังในสูตรมันมีในการปฏิบัติก็อโกะอะไรตานังสีหลังไปจาอาจวังมัดเดวังตะปังตปะตปะนั้นเราในแง่ถึงว่าเดชะนั้นอย่างหนึ่งคือเดช เ, เขาเรียกพระเดชพระคุณน่ย คือบางทีเราใช้พระคุณกันจนยุ่งไปหมดเทยยงตัวอย่างเวลาเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าคลองในกรุงเทพมันมีบ้านเรือนประชราชนดอนเข้าไปปลูกอยู่ในคลองตั้งหลายร้อยเรือนคลองเล็กๆแถวนี่เด่ยนอยอดวันก่อนนี้ก็ออกมาตั้งใจตั้งเจ็ดแปดร้อยังคาเรือนน ะ, ะอันนี้คืออะไรคื อ, อเรามีการผ่อนปรนประนีประนอมกันเกินไปเพราะเกิดปัญหาคนอื่นก็เดือดร้อนด้วย เพราะน้ำมันไหลไม่ได้เกิดข้างเกิดติดขึ้นมาเพราะว่าราชฎรนไปปลูกปลูกบ้านล้ำที่สาธารณะขึ้นมากฎหมายก็เลยไม่เป็นกฎหมายแต่อีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือความเพียรพยายามเราจะพะว่าคนที่เป็นผู้นานั้นจะต้องเป็นผู้นำในทุกด้านซึ่งก็ไม่ใช่สนุกนักนะฮะเป็นผู้นำเนี่ยก็เหนื่อยมากจะต้องมีความอดทนผิดปกติจะต้องมีความเพียรพยายามเกินคนอื่นเขา ในขณะที่คนอื่นเขาไม่ไหวเนี่ยผู้นําต้องไหวเพราะถ้าหากว่าผู้นําเกิดไม่ไหวแล้วเนี่ยคนอื่นก็เสียขวัญเสียกำลังใจไปหมดเลยนี่ก็เป็นตะปะคือในการรู้จักใช้พระเดชใช้กฎหมายใช้ให้ถูกต้องปัญหาอะไรควรจะอะไรไดัก่มคนที่ควรข่มในเมื่อเขามีการกระทำที่ควรข่มนี่ก็คือการใช้พระเดชให้ถูก แล้วก็ต่อไปก็คือความเป็นผู้ไม่โกรธไม่โกรธไม่ไม่แสดงอาการออกมาให้ปรากฏนะเพราะว่าการการบริหารอะไรเนี่ยถ้าเราทำไปด้วยความโกรธบางทีมันมันเสียวความเป็นธรรมเพราะมันจะกลายเป็นโทสากติไปถึงแม้จะมีอะไรไม่พอใจอยู่บ้างมันก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วเวลาจะอารมณ์จิตใจปกติจึงค่อยวินิจฉัยตัดสินลงไป ไม่มีการเบียดเบียนอวิหิงสัญจะคือไม่ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็ขันติมีความอดทนอวิโรธนะคือไม่ทำให้ผิดแบบแผนจารีตประเพณีต่างๆเราสรุปว่าก็เป็นหลักสิบข้อท่าน ท, ทั้งหลายจะเห็นว่าภายในครอบครัวนี่ฮะภายในครอบครัวเราก็มีลูกเต้ามีคนใา้มีอะไรต่ไห อ, อยู่ด้วยกัน ธรรมะเหล่านี้ก็กลายเป็นหลักของหัวหน้าครอบครัวของพ่อบ้านแม่เรือนไปได้แล้วก็จุดใหญ่ขึ้นไปจนถึงบริหารชาติบ้านเมืองมันก็ต้องอิงอาศัยเหล่านี้ราชสังะหะจากกวัติวตันั้นก็เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนที่กระจายตัวเองออกไปนะฮะคือไม่จะสงเคราะห์เจ้าพ่พวกเราเพื่อนเราพวกญาติเราอะไรเนี่ยมันก็กระจายออกไปเพราะว่าราับผิดชอบบ้านเมืองในด้านราชสังะหะนั้นก็เคยกล่าวมาแล้วว่า มีการเลือกรู้จักเลือกคนเข้าทำงานอาจารย์พบว่าบางครั้งในผู้นำไม่ต้องฉลาดแต่ว่ามีใจกว้างหน่อยแล้วก็เอาคนดีๆมีความรู้ความสามารถเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนเราปีเอาของแบ้งมาใช้นะฮะเราปีแกก็ไม่เก่งอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเลือกใช้คนเป็นก็ยกย่องคนที่ควรยกย่องแกก็ได้ประโยชน์ที น, นี้ ต่อไปก็คือการส่งเสริมการบำรุงอาชีพของประชาชนแล้วก็งานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ประชาชนในรูปแบบต่างๆแต่ว่าไม่ใช่สงเคราะห์แบบอลอยไปเลยซึ่งบ้านเมืองเราเวลานี้เราจะพบว่าแนวสงเคราะห์แนวนี้เราทํากันมากทํากันจนน้าห่วงนะน้าห่วงว่าต่อไปนี่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รอคอยแบมือให้เขามาสงเคราะห์กันไม่ต้องทำาหากินอะไร ถึงคราวจะส่งลูกเข้าโรงเรียนก็ไม่ต้องซื้อส ม, มุดดินสอ ร, รอเข้ามาแจกเป็นอันนี้เกิดขึ้นมากแล้วนะฮะปัญหาเหล่านี้เราใช้ธรรมะไม่เป็นเพราะการสงเคราะห์ในแนวจริงๆนั้นเราจะทงสงเคราะห์ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่ว่าคอยแบมือขอกันอยู่ตลอดแล้วยางนี้ก็จบสิน้นมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึงก็สนองตัญหาดีนะบางคนขี้เกียจจะได้ก็ต้องการได้อะไรเลยลอ ย, ลอยสบายๆกันเลยรอแบมือขอคนอื่นจุ่มไป ใช่ว่าส่งเสริมอาชีพมันก็ต้องมีการให้ลงทุนให้มีระยะปลอดหนี้มีอะไรอะไรเนี่ยแต่ต้องมีอะไรชดใช้คืนกลับมาเพื่อให้สามารถสงเคราะห์คนื่นได้ต่อไปในสมัยโบราณจริงท่านก็ทำอย่างนั้นคือไม่ให้ลอยไปเลยเพราะถ้าลอยไปเลยบางทีพอเอาไปขายได้ด้วยให้ที่ดินทำนาเหลือยๆพอ เ, เอาไปขายเล่นโปเล่นถั่วไปจบแล้วต้องมีงานที่เรียกว่า พูดจากันให้เข้าใจว่าเชื่เปย์ยะคือดื่มน้ำคำได้แก่งานประชาสัมพันธ์นั่นเองปัญหาเวลานี้ออไม่ว่าเวลาไหนาก็ตามคือสรุปว่าเราเราขาด ง, งานประชาสัมพันธ์ที่จะชี้แจงให้เกิดการให้เกิดความเข้าใจขึ้นในหมู่ประชาชนหรือว่าในหมู่สาสนิกเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดความสับสนขึ้นมา แต่ถ้าเราพูดจากันดีๆที่แจงให้เข้าใจมีอะไรเป็นปัญหาก็บอกว่ามันเป็นปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นนะมีการเปิดเผยตีแผ่ความจริงออกไปแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้หลักเหล่านี้จึงไม่ใช่หลักสําหรับประชาชนหรืออะไรพระเจ้าแผ่นดินนะฮะเป็นหลักทั่วทั่วไปใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารก็เรียกว่าอตอนนี้เร า, เามาให้นักเรียนเรียนนะคือมาขอเปลี่ยนเป็นว่าตำม้าของผู้นํา ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช้คำว่าทศพิศราจะทำมันพูดยากคนก็จะถวายพระเจ้าแผ่นดินไปจะ้หมดเลยธรรมะเป็นของทั่วๆวไปไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะคนทุกคนก็อยู่ในจุดที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันทีนี้เรามามองดูถึงว่าพระพุทธธรรมรัสที่ตัดประการที่พระเจ้าปัิเสณที่โกศลสามารถปฏิบัติพระองค์คือประสิทธิประสาทความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมได้ และสามารถประพฤติปฏิบัติในส่วนของจกัจกกวัตถิวัตก็ดีราจสังหะก็ดีทศพิราจะทำก็ดีได้นั้นเมื่อเทียบกับคนที่สอนซึงพระองค์คุครีใกล้ชิดอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะจันอะไรเท่าไหร่เพราะท่านคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามากใกล้ชิดมากพระพุทธเจ้าก็ย้ำเตือนอยู่เรื่อยพระเจ้าประเนนสนในโกศลนี้ดูจะเหมือนก็เป็นกรรษัตริย์องค์เดียวที่พระพุทธเจ้าเตือนมากที่สุดเลยเพราะอย่างที่บอกมาแล้วคือท่านซื่อๆนะ แล้วก็พยายามที่จะให้พระองค์ทําตัวเป็นแบบเป็นแบบแก่อาณาประชาราัฐาดออย่างในโกศลสังยุทธเราจะเห็นว่าธรรมะที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าโกศลปัดเปร์ปรเในโกศล น, นั้นจะไม่ขึ้นสูงเลยฮะจะอยู่ระดับโกศลกบฏเท่านั้นเองแล้วจะเน้นอยู่ตรงนี้ฮะจะเน้นให้พระองค์ทำํทำทําเป็นตัวอย่างเมื่อพระองค์ทําแล้วพระมเหสีพระสนมกนันา น, านายทั้งหลายอำคาราชการนมราชบริพารจะทําตาม ข้าราชการผู้น้อยก็จะทําตามอาณาประชาราชดงก็ทําตามมาเป็นเช่นนี้ก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมกันทุกทวดหน้าบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ก็จะเน้นไปในแนวนี้อยู่เรื่อยๆธรรมะไม่สูงเลยนะฮะที่ที่พูดกับพระเจ้าประ เ, ระ เ, นเนสนในกสศธรรมดาธรรมดาธรรมดาบางทีก็สอนให้คิดคิดก็ไม่เรื่องลึกซึ้งอะไรเพราะว่าพระองค์พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าประ เ, ระ เ, นเนสนในกุศลท่านก็ไปอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละ ก็ยังไม่ได้เอามรรคผลอะไรกันในปัจจุบันแต่ว่าทํำยังไงว่าเอาในอไม่่ใชเอารรคผลกันในชาตินี้ทํำยังไงให้ท่านได้รับประโยชน์จากธรรมะมากที่สุดในชาตินี้เมื่อเมื่อเรานํามาเทียบเคียงก็จะพบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์การที่ทำเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า ม, มากแล้วพระองค์ก็เล่าถึงพระราชาทั้งสององค์อย่างที่กล่าวมาแล้วนะทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าท่านทั้งหลายกคงจะเคยได้ยินว่า เมืองพาราณสีทําไมพระเจ้าแผ่นดินวีโยองค์เดียวชื่อพระเจ้าปรมทัตอยู่เรื่อยนี่เป็นเป็นเรื่องน่าคิดนะฮะเพราะทุกวันนี้หมหาราชาของพราราณสียังชื่อว่าโรมทัตอยู่โรมทัตมาตั้ง5้าห0พัปีแล้วเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกทีมันเป็นตําแหน่งฮะชื่ออะไรมาก่อนไม่ได้สําคัญอะไรพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินปั๊บจะชื่อโรมทัต ท, ทันทีเลยแต่ถ้าเรามองดูดูนะฮะเรามองดูดอย่างของไทยเราในที่จริงของไทยเราก็ชื่อรามาธิปดีนะ รามาที่ปดีตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรื่อยจนถึงนี่รามาที่ปดีที่9้ามันเป็นตําแหน่งแต่เราไม่เรียกกันเท่านั้นเองเออหรือว่าพวกอะไรพ ว, พวกชาพวกชาพวกอะไรนี่จรงจริงจริงเขาก็เป็นชากันมาเรื่อยๆนะชานั้นชานั้นมาเรื่อยเลยก็แสดงว่าเป็นจารีตแบบแผนอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาว่าทําไมองค์เดียวไม่ใช่องค์เดียวกี่อง์ก็ตามชื่อตําแหน่งเลยพารณาณสีถ้ากรุงโพรมทัยท่า ถ้าเมืองพารานสีแล้วชื่อพระมทัตอยู่ตลอดทุกวันในมหาราชาที่เป็นชานเซเลอร์ของไอเบีนี่ก็ชื่อพารานสีเหมือนกันแล้วเป็นชื่อพระมทัตเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นอย่อยางนั้นนะฮะก็แสดงว่าเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งใครขึ้นอยู่ในตําแหน่งนี้ทุกคนชื่อเหมือนกันหมดเลยเลยไม่รู้องค์ไหนหรอกครไม่รู้ว่าองค์ที่เท่าไรเพราะเขาไม่บอกพระมทัตที่หนึ่งสองสาไว้พระมทัตอย่างเดียวพระโพธิสัตว์ ที่มาเป็นพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็ว่าที่จริงท่านก็มีพื้นอัธยาศัยนะฮะเพราะเป็นระดับพระโพธิสัตว์เมื่อมาบริหารบ้านเมืองเข้าท่านก็พยายามบริหารด้วยความเป็นธรรมคือใช้ธรรมะในการบริหารที่จริงชีวิตของคนเรามันก็ไม่เคยสลับซับซ้อนอะไรนะฮะก็เรื่องซ้ำๆสักๆจําเจอยู่แต่ว่าเอาก็จริงเราพอสะดุดแล้วก็สะดุดอยู่เรื่อยๆที่มันเดินไม่ค่อยได้ พระเจ้าพรหมทัตนั้นก็เป็นแบบในการบริหารบ้านเมืองคือบริหารโดยอาศัยธรรมะเป็นหลักและลักษณะอย่างหนึ่งนะคือไม่รอรายงานนะฮะจุดเด่นอย่างหนึ่งของผู้บริหารคือไม่ฟังรายงานเพราะรายงานบางทีแกไปนอนรายงานอยู่ในโรงแรมนั่นเองอย่างพวกไปตรวจการตรวจอะไรนะฮะับางทีแกไม่ไปตรวจละมีเพื่อนมาไปดักหน้าเลี้ยงอยู่ในห้องนั่นแหละ แล้วก็นั่งป้อนข้อมูลหลอกหลอกลงรวงให้ที่เราไม่เคยรู้จริงไงเรื่องป่าไม้ป่าเมยอะไรเนี่ยป่าไม้อย่างนี้มีมีเด็กก็มาคนหนึ่งเขาทําป่าไม้อยู่นะเขามาเล่าออฟังแต่เขาทางานบริษัท n นะเขมาเล่าออฟังบอกพวกป่าไม้ไปตรวจนี่ไม่เคยไปถึงอะ่ะเขาก็มาดักหน้าเอาไว้นะมาดักหน้าเอาไว้กับรายงานเจ็ด็ ด, ดเจ็ดเลี้ยงดูเต็มที่เลยสบายสบายไม่เคยไปตรวจเพราะ ง, งั้นไอ้ป่าไม้ทําลายไปเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยรู้แล้วเขาเมานั่งรายงาน ลักษณะผู้บริหารนั้นจะต้องเข้าถึงปัญหาเมื่อท่านรู้ว่าผลมนออกมาอย่างนั้นท่านต้องพิสูจน์อ่ะก็พิสูจน์จะให้คนรู้ไม่ได้ก็ต้องปลอมตัวไปพิสูจน์แบบเหล่านี้มีเยอะเลยสมัยก่อนคือจะท่านจะออกพิสูจน์เองไลดูที่ว่าประชาชนมีความรู้สึกต่อผู้บริหารยังไงบ้างนน่จะฟังรายงานรายงานปรยนะยชดย้อยทั้งนั้นเหมือนกับอะไรนะไอ้อไ ไม่ใชรีเปาเจ้าทีบอยอะรสุภาพรอะไรสุปยศต่สุประตศและสุภาพรเนี่ยนั่งรายงานอยู่นี้อังกฤษถูกตีแตกหายไปแล้วสบายแล้วเดี๋ยวนี้พาม่าปลอดภัยแล้วทําไปทามาปองรับเรืออังกฤษมาข้าวมาใกล้รังกุ้งเยีมทีแล้วนี่ก็คือฟังรายงานแต่เจ้าพระมันทัน์ไม่ฟังรายงานท่านก็ไปเยี่ยมเยียนดูแลแล้วก็ฟังด้วยหูของตัวเองเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นก็มั่นใจได้นะเพราะว่า ประชาชนที่เขาพูดกันในหมู่เขานั้นเป็นการพูดด้วยความรู้สึกนึกคิดจริงๆข้งเขาแล้วก็พูดออกมาเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้พระองค์เป็นใครเนี่ยก็ทําให้มั่นใจทีนี้พระเจ้าพันลิกะเองก็มีแนวเดียวกันอย่างที่กล่าวแล้วแต่วิธีการนะฮะวิธีการในการปกครองบ้านเมืองนั้นเราเจะพบว่าของพระเจ้าพันลิกะนั้นออกจะ ก, กล่าวไปทานั้นเองก็ สามารถประสิทธิ์ประสานในความส ง, งบสุขให้เกิดได้ในจุดหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเคยถามมามาตอนตอนนี้ก็เป็นผู้ว่าอยู่ว่าแกเป็นผู้ว่าจังหวัดนี้ควรจะทํำยังไงจึงจะทําให้ได้ดีนเนี่ยมาบอกมีสอ ง, สองแนวคือคือนักเลงมันแย่นะามาบอกว่าแนวหนึ่งก็คื อ, อร้ายให้ถึงที่สุดเลยเจียบขาดให้ถึงที่สุด แต่เสี่ยงมากแน่เนี่เพราะเราไม่มั่นใจในความเป็นธรรมแล้วอาจจะเป็นอันตรายแนวหนึ่งคือดีให้ถึงที่สุดถึงได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็เสนอแนะบอกเอาแนวดีให้ถึงที่สุดมันทาง่ายดีเวลานี้แกก็เข้ากับประชาชนได้มากประชาชนรักมากยกย่องมากเพราะใช้แนวดีถึงที่สุดกันเลยบอกเ้อดีมาท่นนี้เราดีเราเร า, เราหยิบยื่นความดีเข้าไปหาเขาเลย นี่ก็วิธีการทั้งสององนี้เราจะพบว่าวิธีองแรกคือพระเจ้าพรหมทัตนั้นเป็นวิธีที่ชนะแบบแบบธรรมะจริงๆคือถ้าเขาไม่ดีเราก็ต้องเอาความดีของเราเข้าสลายความไม่ดีวิธีดีบางทีต้องรอเวลาบอสมควรนะฮะแต่มันไม่ผลถาวอรเหมือนกับปลูกพืชยืนต้นอาจจะลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยกันนิดหน่อย แต่ว่าพอออกผลแล้วผลนั้นมีประโยชน์เกื้อกูลถาวรมากเวลาคนเขาโกรธคือถ้าเราโกรธ ถ, ถ้าเราโกรธด้ว ย, ถ, ถ, วยถ้าเขาโกรธ ถ, ถ้าเราโกรธด้วยมันก็ตีกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีชนะด้วยความไม่โกรธทึ่งต้องทนทานเข้มแข็งมากนะฮะบางทีตะบะแตกหายไปเลยขันแตกขันติเป็นขันแตกเยาะปร้อยไปเลยงั้นพวกนี้เป็นแบบแบบปลูกพืชยืนต้นนะฮะมันมีแก่นยะมันมีประโยชน์มาก แต่เราต้องอดทนเราเหน็ดเหนื่อยในตอนแรกเพราะกว่าจะทําอะไรได้เช่นว่าเราจะชนะไอ้คนเนี่ยมันก้าวร้าวมันรุนแรงมันหยาบคายได้กนะันแต่เราต้องอยู่กแก่แล้วทําไงก็ถ้าเราทะเลาะ ก, กับแกเราก็ยิ่งแย่กว่าแกได้อีกว่าเราดีๆอยู่นี่แต่แกก็เปื้อนโคลนอยู่แล้วเพราะงั้นวิวธีแกก็เราก็ต้องพยายามล้างโคลนให้แก่ซึ่งต้องอดทนนะอดทนมา ก, มากแลก้วก็ชนะคนตรนีนะครับ คนสนิทคนหวงคนไม่ยอมให้ใครเลยเนี่ยแต่ถ้าเราชนะด้วยความสนิทด้วยคือต่างคนต่างสนิทกันนะก็จบเราก็ต้องพยายามเปลือยแผลแสดงความมีน้ำใจแก่แกไปเรื่อยในสุดเราก็ชนะแกได้แล้วคนที่พูดจาหลอกแหละถ้าเรารอแหละด้วยมันก็เหลวเป็นน้ำํำยกตัวอย่างไหมในการประชุมอะไรต่ออะไร บางทีมีใครเล่านิทานขึ้นมาสักคนอ่ะคนนึงเล่านิทานต่อบางทีเล่านิทานกันครึ่งชั่วโ ม, มงหายไปเลยไม่ได้เรื่องเลยไม่เข้าสู่ระเบียบวาราการประชุมเลยนี่คือหรอแหล ะ, ละเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเขารอแหล ะ, ละเราก็ต้องดึงประเด็นให้เข้ามาอยู่ในจุดแล้วเราก็พูดเรื่องจริงกับเขาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็กระดากไม่พูดจาหรอกแหละกันเนั่นถึงเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะฮะวิธีการที่ถูกต้องแต่ต้องลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยมาก ส่วนวิธีการของพระเจ้าพันลิกะนั้นเราต้องยอมรับว่าในชั้นหนึ่งนั้นจําเป็นเหมือนกันคือถ้าหากว่ามันกระด้างเกินไปมันมีลักษณะเป็นท่อนซุงลงมามาเนี่ยมันต้องใช้ขวานกันหน่อยแหละแต่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถาวรคือสามารถใช้กำราบหรือปรามนั้นได้แต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้อย่างว่าในกรณีคนดีเราก็ดีด้วยการอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้บางจุด บางจุดที่เขาเป็นพานและเราพานด้วยแล้วยกพวกกันเป็นพานกันไปเลยซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาอันนี้ก็แนวของบ้านเมืองแนวสงครามนะฮะเราจะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจเพื่อนเขาสร้างเจรวดวิสัยกลางเข้ามากี่ลูกแกกี่ลูกฉันก็เอาท่านั้นด้วยแกติดตรงนั้นฉันก็ติดตรงนั้นด้วยอันนี้ก็คือวิธีที่ว่าเออแกพานมาฉันก็ผ่านไปพานเท่าเท่ากันบางทีฉันก็ผ่านมากกว่าโลกมันก็อยู่ด้วยความผวาเท่านั้นเอง ขวัญเสียวเอเอพวกนี้มันเกิดกดปุ่มขึ้นมาวันไหนเราคงสนุกพิลึกละมาตั้งเจ็ดพันไม้นะมันไม่ใช่เบาๆวิสัยกลางนะฮะเจ็ดพันไม้ ย, ยิงสบายเลยนี่ก็เอ่อมันเป็นวิธีเป็นวิธีใช้ได้วิธีหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าเป็นการปราม่นมันเหมือนอะไรฮะเหมือนกับไอ้แนวที่เขาใช้ในไอ้พวกไอ้ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยปับปบปรับมันแก้ปัญห า, าเฉพาะหน้าดได้แต่เอาจริงๆไม่ได้มันฝืนสัญชาตญาณของมนุษย เวลานี้ลุงเต้งก็เริ่มเปลี่ยนแล้วฮะประเทศจีนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจะเป็นจะเป็นกลับมาแล้วกลับมาอยู่ในแนวเดิมเพราะเราไปอย่างนี้ไม่ได้มันแข็งเกินไปวิธีของพระเจ้าพันลิกะมันก็แนวอะไรแนวฤษีสอนสุสาคร น, นะฮะเขา ร, รักรักมั่งชังชังตอไปรอบครอบคิดอ่านนลานาเ น, นี่ยมันคือคือคือคือมันก็แก้ปัญหาได้ในบางขณะเท่านั้นแต่มันเป็นทางมาแห่งเวรแห่งภัยแห่งความบาดระแวงถ้าเมื่อเทียบกับแนวความ ความคิดด้วยการประพฤติปฏิบัติของพระเจ้าพระมทัตร์แล้วเราจะพบว่าของพระเจ้าพันลิกะนั้นมีจุดบกพร่องมากหรือว่าคนอ่อนโยนกับเราก็อ่อนโยนกับเขาอันนี้ไม่แปลกนะฮะเราอ่อนโยนมาเขาอ่อนโยนมาเราโยนไปแต่อย่าลืมว่าไอ้ควายหนึ่งเขาไม่ดีนะฮะเขาเป็นพานเราพานด้วยนะเขาเขาไม่ดีเราไม่ดีด้วยเขาโกรธเราโกรธด้วยแล้วหรือพยายามจะโกรธให้แรงกว่ามันก็พ่นไฟก็หากัน นันไม่จะเป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีปรามวิธีบรรเทาได้ในบางขณะเท่านั้นเพราะฉั้นเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเราจะจะเห็นว่าของพระเจ้าพระมทัดดีกว่าทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์นะมองในแง่ของประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าไอพัฒนาการของมนุษย์โลกเนี่ยมันบางยกบางสมัยเรื่องเรื่องนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะมันผ่านมาแล้วเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะว่าก่อนพุทธกาลนานไกลแหละ แสดงว่าบางยุคบางสมัยมนุษย์เราสามารถที่จะหาข้อยุติกันด้วยการพูดได้มีประสูนย์บางประศู์ที่บางทีโต้กันด้วยคำได้เป็นสุภาษิตโต้กันจุดหนึ่งที่หยาบเนี่ยคือเอาเอ า, เอาหัวหน้ามารบกันสองคนลูกน้องทั้งสองฝ่ายก็นั่งดูแล้วก็บางบางแห่งเราพบว่ า, าไม่ใช่รบกันคือนั่งถกเถียงภาษิตกั ใครมีวาทะคมคายแหลมคมมากกว่าคนนั้นก็ชนะไปลูกน้องทั้งสองฝ่ายก็คอยเป็นกรรมการตัดสินให้ใครพูดได้ไพเราะ ก, กว่ามีเหตุมีผลมากกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไม่ต้องลบอะไรก็แสดงว่าก้าวหน้าไม่เล่นนะฮะก้าวหน้าไม่เล่นเลยว่าบางยุคบางสมัยโลกได้สัมผัสสัมผัสความสุขหรือผลจากธรรมะระดับนี้มาแล้ว คือไม่ต้องไปรบเสียเวลานะเราจะพบว่าอย่างเงินที่เราเอาไปสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยดู ม, มาเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ b อ2้ถล่มเวียดนามวันแรกนะสองลำเยมันชนกันเองอนะ่ะแต่ระเบิดเพี้ยงหมดเลยทั้งสองลำเขาคิดเป็นตัวเลขเอาาอกมามาก็เอามารวมดูกับจำนวนประชากรสมัยนะั้นไม่ถึง 4,000 ล้านดีรวมแล้วนะฮะเราแจกประชากรโลกได้คนละ8บาท าการสงครามของเวียดนามไอของของอเมริกาที่ถล่มเวียดนามวันนั้นระเบิดไอระเบิดบีห้าบสองจนวนคนอะไรเงินทองต่างๆที่ใช้ไปถ้าร้องเงินจํานวนนั้นนะฮะมาแจกราษฎรเราจะได้คนละแปบาทไม่ใช่เล่นฮะเอาไปฆ่ากันนี่เพราะอะไรเพราะว่ากรรไกของพระเจ้าพันลิกะคือจะหักฐารการแก่ชั่วมาจัง ก, ก็ชั่วไปแก่แรงมาจัง ก, ก็แรงไปนะไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีคือ มันเป็นการกำราบหรือปราบไว้เท่านั้นเหมือนกันอะไรเหมือนกับกดลูกป่งอมันกดไว้เท่านั้นเองแต่โอกาสที่มันจะตีกลับนั้นจะมีอยู่ด้วยไปก็เหมือนนี่ฮะเหมือนเหมือนเหมือนแถวตะวันออกกลางเราจะพบว่าอิสราเอลกับอิรานเนี่ยพวกยิวกับอิรานเนี่ยจริงมันไม่ใช่เพิ่งโกรธกันตอนนี้หรอกมันโกรธกันนานแล้วมาวิศกี่พันปีมาแล้วมันเข้าเลือดสายเลือดหมดแล้วเข้าไปอยู่ในสายเลือดลูกหลานเกิดขึ้นมาก็สอนแต่ให้เกลียดกันแค่นั้นเอง ไม่รู้อีน้อยเนยก็มองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูกันอยู่ตลอดพวกพวกนี้ไม่มีทางเลยเหมือนกันอะไรเราพังพองกัวเหาคื อ, ค, อ, ค, อคือเจอถึงก็ฟัดกันมันฝังกิตสันดานไปแล้วดังนั้นการต่อสู้ในแนวนี้จึงเป็นแนวที่ออกเียากพิเศษขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะท่านจะพบว่าอีกแนวหนึ่งนั้นออกหัวหน้าสองคนมาต่อสู้กันพอแนวที่2มาตกเฉียงภาสิตธ์กันแนวที่3ามไม่เอาแล้วเอาคุณธรรมมาเทียบกัน อคุณธรรมใครมีคุณธรรมมากกว่าแล้วมาเทียบกันคนที่สะท้อนคุณธรรมนั้นไม่ใช่ตัวผู้มีคุณธรรมแต่ว่าเป็นสารตีเป็นคนสะท้อนเสร็จแล้วก็ชนะกันด้วยความมีธรรมะคือคุณธรรมสูงพระเจ้าพานิกาเองก็ยอมยอมเคารพรับถือพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ยอมปฏิบัติตามโอวาทของพระเจ้าพรหมทัตอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะคร ทวนทวนว่าเมื่อก่อนพศออไปกี่ปีนี่ก็ไม่ได้ล่าไว้ก็ไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนแต่น่าคิดว่าโลกบางยุคบางสมัยนั้นได้สัมผัสธรรมะ ก, กันมากเกิบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมากาทีนี้แนวของชาดกถ้าอาจารย์แนวของชาดกท่านสามารถเชื่อมโยงเรื่องเทมาพูดมาแล้วนะเทระิาถาเทระคาถาอะไรต่นี้พวกเอตาตะคะอะไร่างาว่าคนที่มาเกิดร่วมกันนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่ามันมีอิทธิพลของอดีตกรรมที่แต่เราฝ่ายได้สร้างเอาไว้ถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ า, าศรัทธาศีลจากะปัญญาสมะสมันเสมอกันทำให้คนเกิดร่วมกันแล้วเราดูที่พระพุทธเจ้าสรุปชาดกนสีคนนี้ว่าพระอานนท์เคยเกิดเป็นพระเจ้าพันลิกามาในชาติก่อนพระโมคคัลลานะก็เคยเป็นสารถีของพระเจ้าพันลิกะมา แล้วพอมาถึงพุทธการสององนี้ก็มาเกิดแล้วก็เป็นลูกศิษย์สำคัญของพระพุทธเจ้าทั้งคู่ภาษาริบุตรกับพระพุทธเจ้าเองในชาตินั้นภาษาริบุตรก็เคยเป็นสาระีของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาถึงชาตินี้ก็เป็นอักษสาวบของพระพุทธเจ้าอักษาวกขวายขวาที่ใกล้ชิดมากคือแสดงธรรมะได้รองมาจากพระพุทธเจ้า อันนี้ก็คือบุญกุศลในวัตตะที่บุคคลสร้างสมไว้ในระดับที่ทรงใช้คํว่าเสมอการ น, นะฮะศรัทธาสมาศีแลสมาจักสมาปัญญาสมาสข้อไอ้สข้อด้วยกันว่าถ้าบุคคลกระทําให้สม่ําเสมอกันแล้วก็จะเกิดร่วมกันพวกนี้ถึงแม้ว่าจุดกําเนิดอะไรจะต่างกันบ้างนิดหน่อยก็ตามในในชาติที่เป็นจะจะออกบวชตามพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าก็มาเกิดร่วมกัน คือบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามาบวชในพุทธสํานักกันทั้งหมดกลายเป็นพระเถระระดับยอดทั้งหมดเลยทั้ง3องค์ทีนี้เรามามองดูอีกทีนึงไอ้ความนับถือที่มันฝังจิตสันดานมานะคือพระเจ้าพันลิกะที่มาเกิดเป็นพระอานนท์เอง หรพระโมคคั า, านะที่มาเกิดเป็นพระโมคคัาลานะตลอดตัณหาสถิติที่มาเกิดประสาทิบุตรนั้นเคยยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ามาในภพชาติก่อนเลยงั้นพอได้ยินชื่อเท่า น, นั้นเองก็เข้ามาบวชไรกันได้ปฏิบัติธรรมะกันได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็คือแนวของชาดกที่มองจากเรื่องนั้นท่านเองก็สามารถที่จะสะท้อนมองในแง่มุมต่างๆอีกได้เป็นนั้นมาก เ, เรื่องนี้ เป็นการแสดงตามอัธยาสัยของพระพุทธเจ้าที่เพื่อให้สมครอยกับที่พระเจ้าประสิทิโกศลพระพฤติธปฏิบัติมาจึงก็กลายเป็นว่าหลักที่พระเจ้าประสิทธิโกศลใช้โดยอาศัยการฟังธรรมะจากยอดของบัณฑิตครูพระพุทธเจ้ากับหลักที่พระเจ้าพานิกาใช้โดยการฟังคําสอนจากพระเจ้าปรมาทันันก็มวยประโยชน์เกื้อกูลให้เหมือนกัน เพราะธรรมะก็คือธรรมะเป็นอย่างที่เป็นหรือใครใช้ใช้เมื่อไหร่โดยใครที่ไหนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นการถูกต้องตามธรรมที่ผู้จ่าทรงส่งชัยนะฮะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะอํานวยประโยชน์ให้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าใครจะนําไปประพฤติปฏิบัติก็ตามสําหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรม จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี